วิปัสนาญาณและภาวนามยปัญญาเป็นอย่างไรในเมื่อจิตมันกระโดไะโ ด, ะโดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมาเหมือนลิงที่เขาผูกไว้บนต้นไม้เมื่อเป็นเช่นนั้นมันเป็นวิปัสนาได้อย่างไรมันเป็นวิปัสนาได้เพราะจิตมีสติตามรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นดับไปและมันจะรู้สึกว่า มันมาจ่ออยู่ที่จุดที่เกิดอารมณ์เท่านั้นมันไม่วิ่งตามอารมณ์เมื่อมันมาจ่ออยู่ที่เกิดอารมณ์เนี่ยมันก็เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้ามันวิ่งไปวิจัยเรื่องอารมณ์มันก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในเมื่อจิตมันมองเห็นความตายชัดเจนในขณะที่มันรู้เห็นอยู่นั่นมันก็ได้แค่เฉยอยู่พอมันถอนจากสมาธิ พอรู้สึกว่ามีกายมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาบางทีมีคำถามเนี่ยเหรอคือการตายใช่แล้วพอใช่แล้วมันก็จะอธิบายชอตชอตชอของมันไปเองเราไม่มีเจตนาสัญญาเจตนาที่จะให้มันเป็นไปอย่างนั้นแต่มันเป็นเองโดยอัตโนมัติเรียกว่าภาวนามายะปัญญา ความคิดที่มันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาอันนั้นยังไม่ใช่ปัญญาเพราะมันยังไม่ตัดสินเมื่อมันไปหยุดกึกลงไปอ้อความคิดมันก็เกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่คือปัญญาในสมาธิแม้แต่ว่าจิตของเรามันปรุงแต่งปล่อยให้มันปรุงไปตามเรื่องตามราวของมันมันมีแต่สติตามรู้ตามรู้กันอยู่ถ้ามันไปนึกถึงสิ่งใดที่เคยทําผิดพลาดมาแล้ว พอมันทักตัวเองว่าอ้อสิ่งเนี้ยเจ้าเคยทำผิดมาแล้วเจ้าไม่ควรทำอีกอันนี้คือการรู้ทำเห็นทำตามความเป็นจริงในเมื่อจิตมันรู้ขึ้นมาอย่างนี้มันยอมรับสภาพความจริงแล้วมันก็ไม่อยากทำสิ่งนั้นอีกต่อไปมันก็หยุดเพียงแค่นั้นอันนี้คือความรู้จริงแต่ท่านเขียนเป็นตาราไว้อย่างสูงสุดรู้จริงเนี่ย คือรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนั้นมันขั้นตำราทีนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอ น, นิจจังทุกขังอนัตตามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ในเรื่องชีวิตประจำวันถ้าฉันมองเห็นเธอแล้วเกิดรักเกิดชอบขึ้นมาก็กามาตัณหาถ้ามองเห็นแล้วมันเกลียดก็เป็นวิภาวะตัณหาถ้าไปยึดมั่นถือมั่น ก็ภาวะตันหา